ก็วันนี้รู้สึกยินดีนะที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยมาเป็นเพื่อนเป็นมิตรมาให้แง่คิดให้กำลังใจมอที่อาจจะนำเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันได้ที่จริงที่สถานที่แห่งนี้ผมก็มาบ่อยมาหลายครั้งชอบมาชื่อมันเพราะดีทางทรฐานวัยหนุ่ม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 ความขยันผมเป็นคนยากจนยากจนตั้งแต่กําเนิดเลยคุณพ่อคุณแม่ก็ยากจนมา ก, ก่อนแต่ว่าในระหว่างที่เรียนหนังสือเนี่ยความยากจนเนี่ยมันช่วยทําให้เรานี่รู้จักประมาในการใช้ก็เลยอาศัยความประหยัดมากความอดทนมากเนี่ยตอนเรียนหนังสือจบแต่ว่ามีความมุ่งหวังอย่างที่ว่าถ้าเราจบมาแล้วเนี่ยเราต้องมีงานทํา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 ผิดหวังเลยนะตอนที่เราหวังที่ยังไม่พิการจงกระทั่งประสบัตเทตต้องพิการตลอดชีวิตแบบนี้และต้องพิการตลอดชีวิตอย่างนี้ไปเรื่อยๆเห็ป่ะความผิดหวังนี่มันก็มากขึ้นแต่ว่าอาศัยสิ่งเดียวที่ลูกผู้ชายยังมีอยู่คือความอดทนอดทนไว้ก่อนในข้อดีกันเนี่ยไอ้ความอดทนแล้วก็ไม่ท้อแท้เนี่ยมันเป็นของคู่กัน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 ที่พูดนี่ไม่ได้เกี่ยวถึงศาสนาไม่เกี่ยวกับศาสนาไม่เกี่ยวกับลทัทธิเกี่ยวกับชีวิตของคนเรื่องชีวิตของคนในทานที่เป็นชาวพุทธก็เลยนำเอาหลักคำคำสอนในศาสนาเนี่ยเอามาศึกษาดูอันนี้ได้จากการเรียนรู้ใช่ไหมอ่านหนังสือเขาว่าสมัยก่อนหนังสือธรรมะเนี่ยเป็นหนังสือที่ดีที่สุดเพราะทํามาในสอนแต่เรื่องชีวิต เรื่องของความสุขเรื่องของความทุกข์เอามาศึกษาอมาอ่านอะไรมันก็ได้เปลี่ยนวิธีคิดแบบใหม่ได้ไงคิดแบบใหม่ว่าเราเนี่ยยังมีโอกาสที่จะมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีเงินความสุขอยู่ที่ใจอันนี้จุดใหญ่แล้วความสุขที่ใจเรามีเงินมากถ้าใจไม่มีความสุขเนี่ยมันก็สุขไปไม่ได้หรอกเงินไม่สามารถจะซื้อความ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 จะค่อยได้ป่วยอายุไม่ยืนยาวก็เลยนำเอาศีลห้าเนี่ยมาปฏิบัติว่าเราคงจะเป็นคนที่เบียดเบียนชีวิตคน อ, อื่นมาก่อนหรือทำร้ายคนอื่นหรือกลั่นแกล้งกักขังเราต้องอยู่ในสภาพเช่นนี้มันเลยได้แค่ข้อเดียวเนี่ยก็นึกขึ้นได้อ๋อนี่ศีล น, นี่เราต้องทำให้มันบริสุทธิ์เข้าไว้เดี๋ยวน้อยเป็นการแก้ไขตัวเองใช้ศีลเป็นพื้นฐานไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์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 การเรียนรู้ที่มีความสุขนั้นคือรู้เรื่องตัวเราเองรับรองได้ใครเรียนรู้เรื่องตัวเราเองถึงที่สุดแล้วจะมีความสุขที่สุดเลยสุขแบบไม่มีคาพูดคือเรียนรู้เรื่องตัวเราเองเพื่อเราเคยไหมเคยเรียนรู้เรื่องตัวเองไหมเราเรียนข้างนอกมามาก แ, แล้วเนี่ยเราไม่มีทางเข้าใจตัวเองเลยในความรู้สึกว่าเร า, เราต้องการอะไร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 ตัวความรู้สึกตัวนะมาเฝ้าดูตัวเองสิ Superman, ่งที่เราต้องการนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราคิดเลยนะไอ้ความคิดตัางหากทำให้เราเปลี่ยนวิธีการหมดเลยความคิดของเราเนี่ยสาคัญมากพอเรียนรู้ตัวเองนานๆเนี่ยเข้าใจความคิดเข้าใจตัวเองมันเปลี่ยนชีวิตตัวเองใหม่ได้เปลี่ยนชีวิตตัวเองใหม่ได้คิดว่าความทรงแท้จริงนั้นไม่ใช่การที่เราได้ดูสิ่งที่เราชอบใจ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 ใจที่คิดอยากได้เขาใช่ไหมใจคิดจะให้เนี่ยมันเย็นเป็นความปรารถนาดีแต่ใจที่คิดอยากได้ของเขาเนี่ยมันดิ้นรนกระวนกระวายมันร้อนอันนี้ถือว่าเป็นความสุดอย่างหนึง่ง mm. ก็เลยเข้าใจตัวเองเข้าใจชีวิตเปลี่ยนชีวิตใหม่เลยพราะเองนี่จะแสวงหาความสุขอย่างพวกเรานี้ไม่ได้หรอกเพราะทุกอย่างนี่มันจํากัดถ้าเขาไม่พาไปไหนเขาก็ต้องนอนอยู่กับที่แต่เรามีวิธีการหาความสุขแบบใหม่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 ทำกิจการแบบนี้พอพูดจบมีผู้ต้องหันคนหนึ่งแอบมาคุยเขาบอกว่าเขาไม่เคยมาร่วมกิจกรรมแบบนี้เลยไม่เคยฟังเกี่ยวกับเรื่องธรรมะเลยไม่เคยรู้เรื่องชีวิตเลยเขาอยู่บ้านอยู่กับคุณยายเวลาคุณยายเปิดธรรมะเขาก็ลงจากบ้านหนีไปเลยทั้ทุกครั้งที่คุณยายเปิดธรรมะแล้วเขาก็ไปทำความผิดต้องเข้าอยู่ในเรือนจา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 เราอดทนต่อสู้เนี่ยเราจะเกิดความรู้เกิดความเข้าใจนะ เ, เราเคยไหมเวลาเราผ่านอุปสรรคมากๆเนี่ยพอเราผ่านไปแล้วเนี่ยเรามีความรู้อะไรที่แปลกๆเคยพรฒส์กึกษากันไหมเพราะนั้นพวกเราเป็นโอกาสดีแล้วเนี่ยเอาที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตเลยเราคือนักศึกษาอย่าถือว่าเราติดอยู่ในเรือนจำเะไปคิดแบบนั้นนี่แหละคือมหาวิทยาลัยชีวิตซึ่งไม่มีใครจะเข้ามาได้ง่ายๆนะ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 เรายังมีโอกาสที่จะมีความสุขได้เรายังมีโอกาสที่จะออกมาจากที่นี่ได้เปลี่ยนวิธีคิดซะใหม่แล้วก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ด้วยลองดูไหมผมนุงแค่ประมาณหนึ่งเดือนเั่นแหละผเปลี่ยนชีวิตใหม่ได้เลยนะจากคนนอนเป็นทุกมาสิบหกปีนอนเป็นทุกมาสิบหกปีหาคําตอบตัวเองไม่ได้ชีวิตเก่าเหมือนเดิมแต่พอมาศึกษาธรรมะ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 ลองฝึกตามที่ผมจะแนะนำเนี่ยดูที่ว่าเราจะเกิดความสบายแล้วก็สนุกได้ไหมอันดับแรกเราต้องล้างจิตใจเราซะก่อนไม่่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผู้ปิด น, นกามไม่ดื่มสุราไม่เสพสิ่งเสพติดแค่นี้กายบริสุทธ์นะร่างกายจะบริสุทธิ์ได้นั้นไม่ใช่ว่าอาบน้ำอย่างเดียวกายบริสุทธิ์ที่สี่นี่สีข้อข้อที่สี่ถ้าเราไม่พูดโกหกเนี่ยโอโ้โห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 ทำตามกฎระเบียบวินยัยกติกาที่ทางเรือนจําได้ทําเอาไว้อย่างเคร่งครัดเนี่ยเราก็มีศีลเหมือนกันนะศีลธิคนนี้ก็สําคัญนะจะเรียก ว, วินัยก็ได้เห็นไหมภาษ า, าพารู้ว่ามีสีลแล้วก็วินยัยเรามีศีทธิแล้วอันนี้มีวินัยประจําตัวเราถ้าเราทําตามกฎระเบียบข้อบังคับกติกาต่างๆเนี่ยเราจะอยู่นี้อย่างมีความสุขเลยอย่างไม่ลําบากเลยอันนี้ก็เป็นศิลธของเราเหมือนกันเป็นการพัฒนาตัวเราด้วย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 เราอาจจะรู้แล้วว่ามีอะไรบ้างเมื่อกี้นี้แต่สติเนี่ยบางคนอาจจะไม่เข้าใจเราจึงต้องให้สัมผัส ด, ดูสัมผัสดีว่าสติเป็นยังไงคนที่นอนไม่หลับเดียมีหลายอย่างเป็นเหตุปัจจัยอาจจะนอนกลางวันมากเกินไปก็คืนก็นอนไม่หลับหรือว่าดื่มกาแฟหรือมีโรคภัยไข้เจ็บแต่มีข้อข้อหนึ่งที่ว่าเป็นสาเหตุที่นอนไม่หลับนั้น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 หรือไม่ถนัดเอามือไว้ที่หน้าอกหลับตาก็ได้เลืมอตาก็ได้เพาะมือเล่นรู้สึกที่มือกำลังกระทบทีนี้หลับสบายเลยทุกคนลองไปทำดูเพราะฉะนั้นไอ้วิธีการแบบนี้คือการให้เรามีสตินั่นเองการมีสติเนี่ยทให้เราอยู่กับปัจจุบันอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยเราทาดูเนี่ยไอ้ความคิดอดีตอนาคตเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะเราใสา่ใจที่การพลิกมือ แล้วเอาสิ่งนี้ไปใช้ในแต่ละวันเนี่ยตั้งแต่วันนี้ต้นไปเนี่ยลองลองทำดูเลยเรานั่งเราก็รู้สึกบางทีเรานิ้วมืออันนี้มือนี้นิ้วชีก้กันนี่หูม่มือ ถ, มถูกันเบาเบานิ้วเบาใช่ถูเบาเบ่าเล่นๆเนี่ยจิตใจมันก็อยู่ตรงนี้มันไม่เลือ่อนลอยไปไหนหรอกแล้เบื่อใครลาคานใครลำมาถูมือแล้วก็รู้สึกเนี่ยอันนี้เป็นการฝึกสติ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 เป็นสุขแบบสบายใจไม่ต้องดูหนังฟังเพลงก็มีความสุขได้พอเทียบความสุขกันแล้วเนี่ยอันนั้นเราไม่ปฏิเสธนะการดูหนังฟังเพลงร้องเพลงก็ทําไปเถอะไม่เป็นไรแต่เราควรจะแสวงหาความสุขอีกแบบหนึ่งด้วยที่ไม่ต้องไปทําอย่างนั้นสบายเลยทํำอะไรก็รู้สึกตัวอยู่การทํางานเนี่ยเราทำงานได้นานทํางานได้ทนเรานั่งได้ย่าถอนญ้าเนี่ยทายังมีสติอยู่กับการงานเนี่ยมันจะเพลินแล้วก็มีความสุข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 แค่มีศีลห้าข้อเมื่อกี้เนี่ยเราก็ได้ทําความดีแล้วดีเพราะไม่ชั่วและความดีส่วนนั้นทําเพิ่มไปเลยแต่มีหข้อนี่เป็นหลักเป็นการทําความดีอันที่หนึ่งก็คือเราจะไม่ทําความผิดเหมือนเดิมอีกไม่ทําความผิดเหมือนเดิมความผิดใหม่ก็ไม่ทํานะเราจะทําความดีทุกวันสองอย่างเนี่ยเราก็เริ่มมีความสุขแล้ว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 อันนี้เป็นการเอาชนะความคิดปลูกฝังไว้ในใจเราความชั่วที่ผ่านไปแล้วจะไม่กลับมาทำอีกแล้วก็จะไม่คิดถึงมันอีกแล้วก็จะทําแต่ความดีแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วทุกคนเน็ตอายุมากกว่า20สผมว่าทุกคนเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวมามากประสบการณ์ชีวิตมามากอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดแล้วก็พอจะแยกแยะได้นะ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 สุภาพบุรุษนี่ไม่แก้ปัญหาด้วยการใช้ความรุนแรงนะสุภาพบุรุษนี่ใช้การแก้ปัญหาแบบสุขุมรอบครอบใช้ด้วยเหตุผลอันนี้คือสุภาพบุรุษที่แท้จริงความอดทนถัว่าเป็นสุภาพบุรุษง่ายๆเลยทนต่อความหิวตอนนี้บางคนอาจจะหิวบ้าง ก, ก็ไดนะ้อดทนเนี่ยเราเป็นสุภาพบุรุษแล้วอดทนต่อความหิวอดทนต่อความร้อนความหนาวอย่างเนี้ย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 แมวทำไม่ได้แล้วอันหนึ่งก็คือให้เสือพุ่งรอดบวงไฟเสือทำได้แมวทำไม่ได้ให้เสือเต้นรําโอ้ผมเห็นแล้วประทับใจมากเสือเนี่ยตัวเบลเลอร์เลยไอ้คู่เต้นรําเสือคือคนคนตัวเล็กกว่าเสือสองเท่าก็เสือเอาขาพาดบนไหลเลยโอ้โหหัวเสือถ้าอ้าปากงับแล้วคอหลุดเลยแต่เสือไม่ว่าอะไรนะ เต้อเชื่องเต้นลํากับคนมันแปลกั้มผู้เรานี่เหมือนเสือแล้วคนฝึกเสือนี่ผมว่าน่าประทับใจมากเพราะฉะนั้นเราเป็นเสือเราไม่ใช่แมวแต่ว่าไม่อยากให้เป็นเสือแบบนั้นนะเราคือแมนไม่ใช่แมวแมนย่อมฝึกได้แมวฝึกไ่ได้แมนฝึกได้เขาว่าจะพูดว่าอะไรนะแมนต้องสูบบุหรี่ต้องดื่มเหล้าเป็นเง้นนะ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 ทุกคนเนี่ยเกิดมาต้องเวียนไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายทุกคนต้องตายเหมือนกันอยู่แล้วทําไมต้องเบียดเบียนกันด้วยเพราะฉะนั้นเรายกระดับจิตใจเราอย่าไปทําแบบนั้นพูดจาพูดคุยกันแบบแมนแบบสุภาพปรุบเข้าใจกันแก้ปัญหาด้วยการพูดคุยกันมาต้องสุ ข, ขุมสงบนิ่งไม่ใช่ะอะวุ่นวายหรือทะเลาะบาะแวะ้งอันนั้นไม่ใช่ทิสัยของคนที่พัฒนาจิตนะเอาละ ก็ตั้งใจฟังกนดีนะต้องขอขอบใจทุกคน น, นะนักศึกษาทุกคนที่ตั้งใจเรียนเรื่องชีวิต